มันจะเหมือนเราเอาแป๊บพัชรล่อนะอะส่งไปที่เีนคนนั้นเลยนะมันไหนแผ่เมตตาออกอ ก, อก็รู้มันไหนไม่อกอกวกว็รู้จนกว่าเขาจะอยู่ตัวใช้เวลานานนะองค์แห่งความเมตตาเนี่ย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 บุญอันนี้คุณภาพสูงนะจะทำยังไงอ่ะลับปากแล้วนะว่าจะทำถึงมันตายสัญญากันแล้วนะแค่ yeah, นี้พวกเราก็ก็สู้ตัวเองไม่ได้นะ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 พราฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมอีกอย่างหนึง่งคือส่วนไหนที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของตัวเองไม่ต้องคิดเสียเวลาไม่ต้องคิดอันนี้ไปคิดถึงด า, าราของเกาหลีก็เหลือผลเพราะชวชัวสมาธิมันจะไปะเขาทิ่ไหนมันไม่ได้ไม่ได้ แต่ทั้งแคบเข้ามาแคบเข้ามาแคบเข้ามาอาจจะมาตอนบินทบาทอยู่ใหม่ๆเนาะอยากจะได้เครื่องดิจิตอลสักเครื่องอะ่ะที่มันเช็คความคิดได้อะ่ะเวลาเราเดินบินทบาทมันไปขาดตรงไหนบ้างกําหนดความรู้สึกนี่แนะ่ะเอมันขาดตรงไหนอันมีที่ขาดอยู่นะ อยากทราบถึงขนาดนั้นนะหรือว่าเอามาติดไว้ทรงอกถ้าเราคิดออกนอกกายนะฮมันดังทิทีิใจหนี่ก็จะดีนะคิดขนาดไหนรู้ไหมคิดขนาดว่าเอาดึง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 เราก็มาหนีบหนังหน้าท้องเนี่นนะเดินทำความรู้สึกปายได้ผลนะเพราะเราหนีบหูนี่ถ้งจะได้ผลนะได้ผลนะนนี้ได้ผลเลยโอ้ยปฏิบัติเท่าปฏิบัติโหดนะท่องไม่นอนไม่หลับไม่นอนเป็นอาทิตย์เ่เป็นอาทิตย์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 จัดเข้ากันได้เลยจัดเข้ากันได้เลยหวงพ่อเป็นท่ยังเนี่ยันให้เบื้องต้นของพวกเราสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากส่วนมา ก, มากเขาจะขึ้นไปวัดอาตมาละเรียนจบแล้วเพราะถ้าเรียนจบแล้วเขาก็ไปทำตามหน้าที่ที่เขาไปทำอยู่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 กำหนดใช้พลังกิจสะกดออกปลายเท้าไปเลยนะถามว่าได้ผลไหมมันก็มีนะโอรยะแต่ก่อนเที่ยวจนปันารย์บุญจันทรน์เปนเอา้าจะไปไหนกันเป็นวานะจะไปนม่ไปนี่ไปไหนจ์บุญจันจนี่เป็น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 วันสุดท้ายหลวงตาไปหาตัมานุงนันที่สามสิบมุกกระดาเรากำหนดจตเทโธงพระประธานพอดีไงก็นั่งสมาธิมวงตามาพอดีเนี่ยมุตามา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 มันมีเมล้ากันาได้คนน่ะเอแล้วก็เปลี่ยนมันบ้านก็ใกล้กันน่ะบ้าเกิดของพวกเป็นใกล้กันกับบ้านเกิดของอัตมาน่ะเลยไปท่านบ่อยบ่อยขนาดไหนจนเข้าเวลาไหนก็ได้แลเปลี่ยนนี่นะ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 บาปของเองตัวเองทําไว้สิ่งของนี้หมดไปแล้วหมดความยึดมั่นถึงมันไปแล้วเราบอกว่าควรฝึกไว้ก่อนตายไม่ใช่พังงาบพั ง, งาบอยู่จะมาบอก เ, นะเล่าพุทโธน่ะมเราไม่ได้มเราไม่ได้อันนี้ให้เรานึกถึงความตายชีวิตหลังการตายอยู่เรื่อยๆ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 ก็จะถามตั้งแต่องค์รองจนถึงองค์สุดท้ายเลยนะถ้าบอกว่าไม่มีอะไรนี่พระเทวด า, ดานี่ะข้าวก็ไปขอเขามากินงานก็ไม่ได้ทำบาทลูกเดียวฉันเสร็จก็ไปล้างกิจ ด, ดวงเดียวมันเอาไม่ได้เลยมันโง่จะตายเั็นาะงมันโง่จะตายเั็นไงพ ถ้าคำนี้ออกมานี่พระทศตวรไฟไหม่เลยนะร้อนปึดๆพูดอยู่ไม่ได้คำพูดเพว่าอาหารเนาะทางจงกรมนี่ก็จุยหลุยแหลกหมดนะฝนลงเปียกแล้วเปียกแล้วแห้งแล้วแห้งแล้อยู่นั มาคิดดูสรุปท้ายก็พึ่นอยากให้เราเป็นคนดีพึ่นอยากให้เราเข้าถึงอัดถึงทมอาตมาก็เหมือนกันนั่นแหละอยากให้พวกเราถึงอัดถึงทรมันมีนี้มันมีนิทานเรื่องหนึ่งนะที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่มัน่น นี่หลวงปู่เหรียนเป็นผู้ติดตามหลวงปู่มั่นไปจะไปสร้างวัดเทียมอำเภอเถาเนี่แหละไปอยู่วัด อ, อําเภอเถาเนี่ยแหละที่เป็นวัดหลวงปู่มั่นทุกวันเนี้ยคนทั้งหลายก็ได้ยินข่าวว่าหลวงปู่มั่นมารู้สึกว่าเขาจะมาแคบเกือบทุกคนใน อ, อําเภอเถาแ น, น่นเลยนะหลวงปู่เหรียนเมื่อก็บอกว่าอ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 ในเวลาเราเท่าไรอ่ะถ้าชั่วโ ม, มงเราไม่เทสนะเรก็บอกว่าเอ๊ะพระจึงไม่มีแต่ปีปากดีๆ ด, ดังนั้นนะทำไมไม่เอาอ่ะผมไม่เอาขุนจะเอาวาอาจารย์อันนี้เป็นคำพูดของจะเอาวาเขานะ่เอาได้ถ้ว เ, เราได้แต่มันมีองค์